ทวิธีเตรียมตัวก่อนตายปัญหาของชีวิตคือกฎแห่งกรรมขอเจริญพรท่านผู้ใกล้สัมมาปฏิบัติทุกท่านอัตมาขออนุโมทนาแก่ท่านที่มองเห็นการกลนิมนต์อัตมาให้บรรยายเรื่องพุทธวิธีเตรียมตัวก่อนตายเป็นหัวข้อที่ดีมากไม่มีใครคิดขึ้นมาคิดมองกันแต่ข้างหน้า ไม่มองย้อนกลับหลังความสำคัญของชีวิตท่านทั้งหลายโปรโดพิจารณาโลกกำลังจะแตกแล้วขาดความสมัคคีหาความพอดีไม่ได้เดินสวนทางกันหมดแล้วประเทศจะเหมือนเมื่อปีพุทธศักราช2310ั สมัยกรุงศรีอยุธยาราชธานีที่ผ่านมาปัจจุบันโลกจเจริญมากแต่จิตใจเลวที่สุดเดี๋ยวนี้เด็กติดยาเสพติดกันมากเด็กไม่เรียนหนังสือการนั้นเป็นเพราะเหตุประการใดท่านผู้เป็นบิดามารดาปโปรดพิจารณาด้วยถ้าท่านเป็นบิดามารดาไม่ได้ดูลูกเลยจะเสียใจต่อไปภายหลัง นี่เป็นความสำคัญของชีวิตในระยะกลางอย่าให้ลูกอยู่ว่างอย่าให้ห่างผู้ใหญ่จะหลงทางได้ง่ายท่านเตรียมตรงนี้หรือยังจะไปเตรียมตอนแก่แล้วจึงเข้าวัดจะเกิดประโยชน์ไหมเข้าวัดตอนแก่จะเข้าไปทำไม เตรียมตัวซิตั้งแต่ยังเป็นเด็กพ่อแม่ควรสอนลูกหลานตั้งแต่ยังเล็กจะมีวิธีการสอนกันอย่างไรเมื่อสิบห้าปีมาแล้วอาตมาไปพูดที่โรงเรียนอนุบาลจังหวัดสระบุรีเด็กเล็กๆทั้งนั้นเขาก็เกรงว่าเด็กจะสนใจฟังได้แค่สีห้านาทีถ้าเลยกว่านี้ต้องสซนอยู่ไม่ได้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะทาอย่างไร ิงจะทำให้เด็กอนุบาลอยู่ฟังได้ถึงสามชั่วโมงอาตมาคิดว่าเด็กชอบอะไรเด็กเป็นอะไรนึกได้ว่าเด็กก็เหมือนปลาต้องมีเหยื่อล่ออาตมาจึงเตรียมพร้อมโดยเตรียมปัใจจัยใส่ซองไป 5,000 บาทซองละส0บาทนำท็อปฟี่ไปห้าปีบมีเด็กอยู่ 3,000 ันคนเริ่มรายการก็แจกท็อปฟี่ก่อนเด็กก็ไม่พูด พอได้ห้านาทีก็จุดทูบเทียนบูชาพระแล้วรับศีลอาตมาใช้วิธีบรรยายถามตอบไม่ใช่วิธีบรรยายเรื่อยไปเด็กจะจำไม่ได้ถ้าให้เด็กอยู่ฟังได้เป็นชั่วโมงเทคนิคในการสอนอาตมาถามว่า ศาสนาแปลว่าอะไรให้คนที่เป็นพุทธได้ตอบก่อนก็ตอบไม่ได้ให้คลิส ต, ตอบก็ตอบไม่ได้อิสลามคนหนึ่งลุกขึ้นยืนตอบทันทีว่าศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนเจ้าข้าอาตมาจึงยื่นสองให้ไปหนึ่งพวกเด็กก็หากันเลยถ้าพูดไปเรื่อยเด็กจะไม่จำข้อต่อไปก็ถามว่า คำสั่งกับคำสอนแปลว่าอะไรให้พุดตอบก็ตอบไม่ได้คลิสก็ตอบไม่ได้เด็กอิสลามคนหนึ่งยืนขึ้นตอบว่าหนูตอบเองเจ้าค่ะคำสั่งแปลว่าวินยัยคำสอนแปลว่าธรรมะอัตมาจึงเรียกให้มารับซองไปสองซองผู้ใหญ่ยังตอบไม่ได้เลยแต่อิสลามตอบได้หมดคำสั่งคือวินยัยผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสั่งนี่คือวินยัยคำสอนนั้นเป็นหลักธรรมถ้าเราพูดอย่างนี้แล้วเด็กจะจำได้ทั้งสามพันคนทาไมจำได้ก็ได้แจกของแล้วมันตื่นเต้นเด็กก็จะเง้อสนใจสิ่งนี้เป็นเทคนิคในการสอนอาตมาถามต่อไปอีกศีลคืออะไรอิสลามตอบได้อีกศีลคือปกติเจ้าค่ะ สิ้นคือปกติทั้งสามพันคนจำได้หมดถ้าเรามีนโยบายกันอย่างนี้เด็กก็จำได้แล้วก็อยู่กับเราได้ถึงสามชั่วโมงาศาสนาของพระาศาสดาเป็นยอดพัฒนาคนจะปกติได้เพราะอะไรคนจะปกติได้ คนนั้นจะต้องมีสติสัมปชัญญะคนที่ขาดสติสัมปชัญญะจะไม่เป็นปกติพูดไม่มีหูรูดพูดขึ้นห้วยลงเขานี่ต้องพูดตรงไปตรงมาศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ยอดพัฒนาจริงจริงเริ่มพัฒนาจิตคนพอพัฒนาจิตแล้วคนก็อยากจะมีการศึกษาอยากจะแสแวงหาความรู้ เรียกว่าพัฒนาการศึกษาพอพัฒนาการศึกษาเสร็จแล้วทุกคนก็อยากจะประกอบอาชีพการงานพัฒนาเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจดีขึ้นถ้าจิตใจดีแล้วก็จะพัฒนาอย่างนั้นสุดท้ายก็พัฒนาสังคมอยู่ด้วยความเมตตาและปราณีเอื้ออารีเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันถ้าพัฒนาผิดก็เอาดีไม่ได้ ถ้าสร้างความดีถูกสถานที่ถูกตัวบุคคลถูกกาลเทศะและเสมอต้นเสมอปลายรับรองผู้นั้นดีแน่ปัญหาของชีวิตคือกฎแห่งกรรมปัญหาของชีวิตของแต่ละคนคือกฎแห่งกรรมแก้กันไม่ได้ตัวใครตัวมัน ต้องแก้ด้วยตัวเองคนอื่นจะไปแก้ให้เขาก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าจบ18ด็อกเตอร์18าศาสตร์เรียนมาหมดทุกอย่างแล้วเพราะเหตุใดจึงต้องเสด็จบรรพชาท่านต้องการไปหาวิชาแก้ปัญหาชีวิตวิชาแก้ทุกข์ต้องใช้เวลาเรียนวิชานี้ถึง6ปีกว่าจะได้วิชานี้มาให้เราวิชาแก้ปัญหาชีวิต วิชาแก้ปัญหาทุกข์แต่เรากลับเอาไปทิ้งไม่เคยมีใครนำมาใช้เลยมีแต่สร้างความทุกข์หาความสนุกในสังคมเท่านั้นเหตุที่ทำให้คนมีทุกข์แล้วมาที่วัดอัมพวันผู้ที่มีทุกข์มาวัดอัมพวันมีหประการได้แก่ หครอบครัวไม่มีความสุข 2. ผิดหวังในชีวิตแก้ปัญหาไม่ได้ผูกคอตายฆ่าตัวตายเป็นโรคทันสมัยกันมากโรคทันสมัยก็คือโรคประสาทสามลูกไม่เรียนหนังสืออย่างนี้อย่าโทษเด็กเด็กติดยาเสพติดอย่าไปโทษเด็กอาตมาโทษแม่แม่ไม่ได้เป็นแม่แบบแม่แผน แม่แปลนใช่ไม่ได้แม่บ้านการเรือนเคหาสตา์ไม่ดีถ้าแม่บ้านการเรือนเคหะาสตาร์ดีสามีจะเจ้าชู้หรือเล่นการพนันก็ไม่เป็นไรแม่บ้านเอาลูกไว้ได้แน่นอนลูกได้ดีหมดทุกคนอัตมาจึงเขียนขึ้นมาว่ากันอยู่ที่แม่แก้อยู่ที่พ่อก่ออยู่ที่ลูกปลูกอยู่ที่ครูความรู้อยู่ที่ศิษย์จะได้เป็นมิตรกัน สีเศรษฐกิจไม่พอปากท้องนี่แหละปัญหามันเกิดขึ้นเป็นหนี้สินกันไม่มีปัญญาจะใช้หนี้เป็นกฎแห่งกรรมโดนล้มละลายเป็นแถวเพราะอะไรจะแก้อย่างไรเตรียมตัวอย่างไรน่าจะคิดตรงนี้ 5. ้ามีแล้วยังไม่พอตะเกียกตะกายไปอยากจนหมดเงินหมดทองสิ้นเนื้อประดาตัว เดินทางผิดกฎจราจรผิดก้าวพลาดก้าวผิดตลอดไปชีวิตจึงไร้สาระมีปัญหาอย่างนี้ท่านจะแก้อย่างไรพุทธวิธีเตรียมตัวก่อนตายถ้าท่านไม่ศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าและท่านจะแก้ปัญหาไม่ได้นะ อาตมาจึงถามเด็กว่าหนูมหานิยมอยู่ที่ไหนแม่ก็ตอบไม่ได้มหานิยมอยู่ที่วิชาความรู้ถ้าลูกเราเรียนมีวิชาความรู้เป็นด็อกเตอร์รับรองมีคนนิยมชมชอบมากตรงนี้เป็นมหานิยมไม่ใช่ไปให้พระเป่าหัวไปรนนดน้ามนต์วัดโน้นวัดนี้ลงเสน่ตรงนี้น่าคิดนะ ถ้าลูกของโยมเรียนหนังสือเก่งทุกคนจบปริญญาโทจบปริญญาเอกนี่สิเป็นมหานิยมมีคนนิยมชมชอบมากมายหน้าที่จะเตรียมตัวกันตรงนี้ไม่ใช่ไะเตรียมตัวก่อนจะตายนอกเหนือจากนั้นแล้วอะไรหนาที่เป็นสเสน่ห์สเสน่ห์อยู่ที่คุณธรรมถ้าคนไหนไม่มีคุณธรรมไร้เหตุผลจะมีสเสน่ห์ได้อย่างไร ไม่มีใครมองหน้าแน่นอนถ้าลูกของท่านทั้งหลายไม่ เ, เรียนหนังสือเลยไปไหนก็เก้อเขินไม่มีความรู้ความสามารถนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องแก้ปัญหาแต่เราไปแก้ปัญหากันผิดจุดน่าจะแก้ตรงไปตรงมาปากกับใจตรงกันหน่อยได้ไหม เรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงอาตมาจึงสรุปความไว้ข้อหนึ่งว่าเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงลูกนี้สำคัญมากจะยกตัวอย่างให้เห็นลูกมีทั้งเมตตามหานิยมที่สิงห์บุรีเมื่อปีพุทธศักราช2500ัครอบครัวพ่อเป็นจับกังแม่รับจ้างซักรีดมีลูกห้าคน เป็นด็อกเตอร์สามคนเป็นเท่าแก่เนียขายทองเยาวราชสองคนจนแท้ๆพระเหตุไรเพราะเขามีคุณธรรมมีทั้งสเสน่ห์มีทั้งมหานิยมเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงปฏิบัติพระกรรมฐานเป็นการแก้ปัญหาแก้กรรมของเขาได้ขอเจริญพรว่าคนดีมีปัญญาอยู่ที่ไหนก็ไปถึงที่ได้ คนเศรษฐีมหาเศรษฐีมีลูกไม่เอาไหนก็เยอะแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ทั้งรักทั้งแค้นแน่นในสวงทั้งหึงทั้งหวงหนักหน่วงในหัวใจจึงข่ารันฟันแทงกันได้ง่ายเหมือนผักปลาขาดสติสัมปชัญญะขาดเหตุผลน่าจะเตรียมพร้อมตรงนี้ก่อนตาย เวลาไม่เหมือนกันเตรียมพร้อมเสร็แต่วันนี้ความเข้าใจในหลักของธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นบทความที่จะแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างดียิ่งแต่แล้วเราก็ไม่ทราบว่าปัญหาของเราคืออะไรปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเกิดจากการกระทาและกฎแห่งกรรมไม่เหมือนกันลักษณะการเกิดมามีหูมีตามีจมูกมีปากมีฟัน มีเพศหญิงเพศชายเหมือนกันไม่ได้สืบเนื่องจากการกระทําครั้งอดีตชาติแต่ชาติปางก่อนเราเลือกเกิดไม่ได้และเลือกตายไม่ได้เหมือนกันปราสาทราชวังเขาเปิดไม่มีใครเข้าไปเกิดบ้านอาเซียมีมากมายไม่มีใครเข้าไปเกิดแต่ทำไมหนาคุกปิดใส่กุญแจเสียตั้งหลายชั้น เข้าไปกันเป็นพันไม่ทราบเข้าไปกันได้อย่างไรเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทำของแต่ละท่านไม่เหมือนกันท่านทั้งหลายเอย๋ยเวลาไม่เหมือนกันเราต้องเตรียมพร้อมแต่วันนี้เพื่อสัมภาระที่จะต้องทำในวันพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนมากกฎแห่งกรรมซ้ำเติมส่งเสริมโทษเหมือนกันไม่ได้ หลักสำคัญของชีวิตถ้าท่านจเจริญกรรมฐานจเจริญสติปัฏฐานสี่ท่านจะระลึกชาติได้รู้กฎแห่งกรรมและแก้ปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าของท่านได้ท่านไม่ต้องไปหาผีเข้าเจ้าทรงแต่ท่านก็ทำไม่ได้ตรงนี้เป็นหลักสำคัญของชีวิตของแต่ละคนใครมีบุญวาสนาก็จะเดินไปหาบุญวาสนาเองแข่งเรือแข่งพาย ใครก็แข่งได้แข่งบุญวาสนาได้ไม่จริงแต่อยากจะถามว่าท่านพายเรือเป็นไหมพายเรือไม่เป็นจะแข่งได้อย่างไรทำนองฝึกหัดต้องปฏิบัติพึ่งตนเองช่วยตนเองเตรียมตัวเสียก่อนตายอาตมาขอเจริญพรว่า เราต้องพึ่งตนเองช่วยตนเองเตรียมตัวก่อนตายเสียเตรียมสวดมนต์ภาวนาพาหุงมหากาและเจริญพระกรรมฐานพระกรรมฐานแปลว่าการกระทําให้ฐานะดีทำให้จิตใจเราเบิกบานทำให้อายุยืนทำให้ไม่หลงทางจะมีจิตเป็นกุศลได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญในชีวิตต่อไป น่าโอกาสข้างหน้าแน่ขอเจริญพรว่าไม่มีทางอื่นนอกเหนือจากพระกรรมฐานเท่านั้นพระกรรมฐานแก้กรรมได้แน่ถ้าท่านทำได้เตรียมตัวตายด้วยการเจริญพระกรรมฐานหายใจยาวๆเข้าไว้อย่าหายใจสั้น จะแก้ปัญหาได้เวลากโกรธไม่สบายใจให้หายใจยาวๆกํา aw, กหนดกโกรธนอที่ลิ้นปีซึ่งอยู่ระหว่างกลึงกลางจมูกกับสะดือเป็นการชาร์จไฟเข้าหม้อแบตเตอรี่หายใจยาวๆอย่าหายใจสั้นถ้าหายใจสั้นท่านจะแก้ปัญหาไม่ได้ท่านจะวูบเดียวขาดสติหายใจช้าๆ ช้าเพื่อไวเสียเพื่อได้ถ้าหากท่านโกรธอย่าให้ความโกรธค้างคืนอารมณ์ค้างจะทําให้มีปัญหาตอนเช้าถ้าท่านเป็นครูอาจารย์จะสอนไม่ได้ดีถ้าท่านเป็นนักธุรกิจการค้าท่านจะค้าขายไม่ได้ถ้าท่านเป็นผู้พิพากษาจะตัดสินให้เขาติดคุกไม่มีการลดโทษแต่ประการใด ก่อให้เกิดผลเสียวิธีแก้กาหนดโกรธหนาที่ลิ้นปีหายใจยาวๆตั้งสติไว้จะหายโกรธทันทีท่านจะได้คิดท่านจะมีโอกาสทำงานได้อีกนั่งเขียนหนังสือที่โต๊ะเกิดไม่สบายใจกาหนดไม่สบายใจหนาที่ลิ้นปีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปวัด รับรองหายภายในห้านาทีและจะมีสติปัญญาครบถ้วนนี่เป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดในระยะที่ชีวิตใกล้จะตายคนใกล้จะตายจะมีนิมิตกรรมเกิดมาบอกให้เราทราบเรียกว่ากรรมนิมิตคตินิมิตบางคนชักดิ้นชักงอบางคนชกโน่นชกนี่ตลอดรายการบางคนตาเหลือก บางคนยิ้มแย้มแจ่มไซนั่นก็เพราะฝึกสติปัฐานสี่เขาเตรียมตัวก่อนตายด้วยวิธีฝึกเจริญกรรมฐานถ้าใครไม่เจริญกรรมฐานจะไม่มีทางแน่นอนพูดอย่างไรก็ไม่ได้ผลเวนกรรมตามสนองอาตมาเคยประสบมาหลายครั้ง เวนกรรมตามสนองถ้าใครมีปนาติบาตติดมา 60% เปอร์เซ็น์รับรองว่าเป็นอมภาษตแน่นอนอาตมาเคยหักคอนกเมื่อตอนอยู่มัธยมที่สามสติบอกว่าวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2องพเวลา12บสนิกานาทีท่านจะถูกรถชนคอหักตายด้วยเดชะที่เป็นพระอาตมาคอหัก แต่ไม่ตายหายใจทางสะดือได้ไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้เห็นทันตาแล้วท่านอย่าเข้าใจผิดว่าสร้างความดีแล้วเวรกรรมไม่ตามสนองยิ่งสร้างความดียิ่งกรรมมาสั์มารไม่มีบารมีไม่เกิดสร้างความดีต้องมีอุปสรรคเพราะเหตุใดต้องมีอุปสรรคแน่นอนคือกรรมมาทวงหนี้ สร้างความดีต้องลงทุนความลำบากได้ท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาโดนคอหักแขนหักฟ้าผ่าที่กุติรับกรรมไปในชาตินี้สร้างความดีกรรมมาทวงเลยแต่ถ้าไม่สร้างกรรมดีสร้างแต่กรรมชั่วจะไปทวงก่อนท่านตายจะเห็นผลพันตาตาอย่างกรรมมณิมิตนิมิตที่แปลงมาบอกชัดด้วย ท่านที่ไม่ได้เจริญพระกรรมฐานจะไม่ทราบเลยว่ากรรมนิมิตมาแล้วจะต้องตายยกตัวอย่างโยมสุ่มทองยิ่งอาตมารู้ว่าจะต้องตายภายในสามชั่วโมงเลยเทศให้ฟังเทศจบเขาก็เดินกลับกุฏิอาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วก็ตายเขาเข้าผลสมาบัติไปทันทีเพราะเตรียมไว้แล้ว อาตมาเคยสอนพระกรรมฐานแก่โยมคนนี้เมื่อสมัยยังเป็นสาวอายุ38ปีตอนตายอายุ84ปีหเดือนเมื่อปีพุทธศักราช2526ั25โยมสุ่มเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะต้องตายนายแพทย์บอกว่าหลวงพ่อปอดหมดแล้วอาตมาจึงรับมาอยู่ที่วัดบอกให้เจริญพระกรรมฐานต่อไป ก็หายวันหายคืนอยู่มาได้สิบห้าปีหมดเวลาแล้วก็ต้องเดินทางต่อไปเขาก็รู้ตัวอาตมาก็เทศให้ฟังเรื่องปฐมวัยมัชิมวัยปัจฉิมวัยพอสามชั่วโมงเขาก็ตายจากโลกไปถ้ามีกรรมติดมาเราจะรู้ได้จากการเจริญกรรมฐานอธทินาทานติดมาหกสิบเปอร์เซ็นต์จะต้องถูกปล้น ถูกไฟไหม้บ้านโดนจี้โดนโกงกาเมสุมิชฉาจานติดมาหกสิบเปอร์เซ็นต์มีสามีเป็นของเขาหมดมีภรรยามีชู้หมดมีลูกเอาดีไม่ได้จะเสียหายไปทั้งครอบครัวถ้าท่านไม่แก้ถ้าท่านมาจเจริญกรรมฐานก็แก้กรรมนี้ได้มูสาววาดหลอกลวง หวังเอาลาบติดมาหกสิบเปอร์เซ็นต์ท่านจะโดนหลอกโดนโกงตลอดสุราเมลไรติดมาหกสิบเปอร์เซ็นต์คนนั้นจะประสาทไม่ดีจะเป็นโรคประสาทท่านเตรียมตัวแก้กรรมก่อนตายหรือยงังถ้าท่านไม่แก้กรรมนั้นจะติดค้างสนองท่านไปเรื่อยท่านจะต้องรับกรรมต่อไปสรุปว่า ความสำคัญของชีวิตนั้นเริ่มตั้งแต่ต้นเริ่มทำให้ชีวิตมีค่าเวลาของท่านจะมีประโยชน์ต่อไปใครหนอจะทำเวลาแค่วินาทีเดียวให้มีค่าได้ต้องมีความดีมาแล้วต้องเตรียมการมาแล้วไม่ใช่มาเตรียมก่อนตาย วิชาความรู้หลังความตายมีด็อเตอร์คนหนึ่งชื่อดอกตร์กลตเป็นเพื่อนของอาตมา ต, ตั้งแต่มหที่สิงห์บุรีอาตมาตช่วยส่งเขาเรียนเพราะเขาไม่ค่อยมีเงินเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ไปต่อปริญญาโทที่กรุงเทพอาตมาตให้เงินเข้าไป400บาทสมัยก่อนเมื่อสมัยก่อนข้าวเกลียนละ80บบาทจบปริญญาโทแล้ว ก็ไปต่อปริญญาเอกที่ปารีสฝรั่งเศสพ่อกลับมามีภรรยาอยู่ที่ทนบุรีมีลูกสามคนต่อมาตายแล้วก็มาเกิดเป็นลูกคนตรอกจันยานาวาเด็กคนนี้อายุ11ขวบเกิดระลึกชาติได้ให้แม่พาไปหาอาตมาที่สิงห์บุรีเมื่อปีพุทธศักราช 2,500 บอก ไปหาเพื่อนที่บวชแม่เขาก็ว่าลูกเขาเป็นโรคประสาทเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหมดเขาบอกให้ไปบ้านภรรยาไปขอวิทยานิพนธ์สามเล่มซึ่งเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดแล้วเขาก็มาศึกษาเดี๋ยวนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุน่นท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ยวิชาเอาติดตัวไปได้แน่นอนสมบัติเอาไปไม่ได้ มีลูกมีหลานให้เรียนหนังสือเป็นด็อกเตอร์ให้ได้ตายแล้วก็เอาไปได้แน่นอนถ้าเรียนเก่งมากรับรองว่าชาติก่อนเรียนมาแล้วเรียมลูกหลานให้เรียนวิชาไว้ให้ได้ก่อนเป็นบัณฑิตแล้วจะทาได้ทุกอย่างชอบตรงไหนก็ทําตรงนั้น ตายด้วยโทสะสามีภรยาสองคนเป็นนายแพทย์และแพทย์หญิงมารอพบอาตมาสามีเข้าใจว่าภรรยามีชู้ภรรยาเข้าใจว่าสามีมีชู้ต่างคนต่างโทษกันอาตมาก็บอกว่าอย่าโทษกันเลยเชื่ออาตมาเถอะคนจะตายไม่ยอมเชื่อเหลือเวลาอีกชั่วโมงครึ่งจะต้องตาย แล้วก็ตายโหงด้วยอาตมาบอกให้รับประทานข้าวกันก่อนนะทำให้อารมณ์ดีๆไว้รับประทานข้าวแล้วค่อยไปเขาก็ไม่รับประทานทาั้งๆที่เขายังไม่ได้รับประทานข้าวตั้งแต่เมื่อวานเขาไม่เคยเจริญพระกรรมฐานเลยอาตมาก็เห็นหนาเงาหัวไม่มีแล้วต้องตายทั้งคู่ต้องไปเป็นอสุรกาย เวลาจะหมดแล้วอาตมาก็พูดไม่ได้ทวงเวลาให้เขาไปรับประทานข้าวไม่ยอมเชื่ออาตมาจําไว้เลยนะคนจะตายนั้นจะไม่ยอมเชื่อเขาก็ขึ้นรถเบนซ์และขับไปนครสวรรค์อาตมามานึกดูว่าคู่นี้ไม่ได้กลับแน่ต้องตายกลางทางด้วยอำนาจโทสะอย่างแรงตายไม่ดีเลย ไม่ใช่รถชนตายกลางถนนแล้วไม่ดีเขามีสติดีขึ้นรถได้แต่ทะเลาะกันตั้งแต่ออกจากวัดข้อเท็จจริงเขาไม่ได้มีชู้กันเลยเพื่อนของเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนกันยุให้แตกเมื่อคนขับรถถึงที่อัมพอินบุรีเขาก็บอกกันว่าเอาละ่ะเรามาตายทั้งคู่นะอย่าอยู่เลย แล้วก็พุ่งรถเข้าประสานงากับรถสุงชนกับรถสุงก็ต้องตายเดี๋ยวนี้ก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นเป็นอสุรกายดุร้ายมากรถความตายกันเรื่อยเราเข้าใจผิดว่าตายตรงไหนก็ไปเชิญวิญ ญ, ญาณกลับถึงจะมาได้ข้อเท็จจริงไม่ใช่ตายด้วยอำนาจโทสะก็ต้องอยู่ตรงนั้นก่อนไม่ต้องไปสังฆทานถ้าเป็นญาติ ก็นั่งเจริญกรรมฐานแผ่กุศลให้ร่างกายของคนเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่เด็กเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรียกว่าตายจริงส่วนที่หมดลมหายใจนั้นเป็นการตายสมมติจิตเคลื่อนย้ายออกจากร่างมีบาปบุญติดตัวไปจิตเกิดดับตลอดซับซ้อนเป็นกฎแห่งกรรม การเตรียมตัวก่อนตายอย่างดีที่สุดการเตรียมตัวก่อนตายต้องเตรียมตั้งแต่เดี๋ยวนี้เตรียมสอนลูกหลานให้เรียนหนังสือหาวิชาความรู้ใส่ตัวสอนลูกหลานให้มีคุณธรรมประจำจิตมันเจริญกุศลภาวนามันฝึกสติปัฏฐานสี่สามารถรู้กฎแห่งกรรมของตนเองจะได้แก้ไขปัญหาของชีวิตและพึ่งพาตนเองได้ มองย้อนหลังกลับไปดูพ่อแม่และสนองคุณแก่ผู้มีพระคุณเป็นการเตรียมตัวก่อนตายอย่างดีที่สุด